ณเขตแดนแห่งนครราชคฤห์มีบ้านพราหมณ์ 1 นายบ้านชื่อกัปปิละมีบุตรคนหนึ่งชื่อปิปผลิเรียกอีกอย่างหนึ่ง เมื่อมหาอุปดาบิดาของปิปผลิมานพสิ้นชีพแล้วสามีภรรยาทั้งสองเห็นว่าผู้เพราะการงานที่ผู้อื่นทําไม่ดีกล่าวจึงชวน ชื่อปโหปุตตะกะนิโครธระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาลันทามี นายภิกษุที่เป็นผู้เฒ่าและปูนกลางไว้อย่างแรงกล้า 2 เมื่อฟังธรรมอย่าง 3 เราจักไม่ละ ได้สําเร็จอรหัตตผลในวันที่ 7 ท่านเป็นผู้มีปฏิปทา <Danielle. S 1> พระพุทธองค์ประทับอยู่ณเมืองสาวัตถีตรัสให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุ พระศาสดาทรงชักชวนให้ภิกษุทั้งหลายเอาอย่าง มองดูตระกูลเป็นสิ่งน่าหวาเสียวเหมือนบุคคลมองดูว่าผู้มุ่ง ฟังแล้วพึงเลื่อมสายเราเลื่อมสายแล้วพึงทําอาการแห่งผู้เลื่อมสายแก่เราภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของภิกษุเช่นนั้นไม่บริสุทธิ์ส่วนภิกษุใดแสดงธรรมด้วยคิดว่าพระธรรม จึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นอาศัยความกรุณาความเอ็นดูและบริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายกสปะมีจิตเช่นนี้มีความ หากเขาไม่ให้เป็นต้นภิกษุนั้นย่อมไม่พอใจเธอย่อมเกิดทุกข์โทมนัสเพราะเหตุนั้นภิกษุเช่น ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติอย่างกัสสปะอีกคราวหนึ่งที่เวรุวันนี้เองพระมหากัสสปะเข้าเฝ้ากับพุทธองค์ตรัส พระค่าแต่พระองค์ทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์ถือบังสุกุลจีวรถือบิณฑบาตและการอยู่ป่าเป็นต้น อีกประการหนึ่งเพื่อปัจฉิมาชนตาชนทั้งหลายหรือคนรุ่น ที่เวรุวันนี้เองวันหนึ่งพระมหากัสสปะเข้าเฝ้าพระศาสดารับสั่งให้ บางสุกุลกีวรผ้า 3 ผืนมีความปรารถนาน้อยสันโดษพอใจในวิเวกเมื่อชุกครีในหมู่คณะมีความเพียรสม่อมเสมอและสรรเสริญความเป็นผู้อยู่ป่าและสันโดษเป็นต้นนั้นภิกษุเช่นนั้นย่อมการยกย่องจากภิกษุแม้ที่ ไม่อยู่ป่าเป็นปกติอยู่ป่าเป็นปกติไม่ถือบิณฑบาตไม่ถือบางสุกุลจีวรไม่ถือผ้า 3 ผืนไม่เป็น สรรเสริญยกย่องว่าเป็นผู้ดีเป็น อีกคราวหนึ่งพระศาสดาประทับณสาวัถีตรัสยก 4 และ 8 ได้อย่างไรๆทรงระลึก ทรงสิ้นอาสวะอย่างไรพระมหากัสสปะก็สามารถอย่าง เพราะท่านชอบความสงัดไม่ต้องการคลุกคลีด้วยหมู่คณะท่าน กล่ากล่าวธรรมต่อหน้าเวทีฮาร์โมนีเช่นพระอานนท์ ขอโทษพระมหากัสสปะแทนภิกษุณีผู้โง่เขลานั้นว่าขอท่าน หรือเรียกว่าเด็กน้อยอยู่เสมอเรียกว่าเด็กน้อยอยู่เสมอบางเกิดภิกษุณีเข้าจึงว่าเรียกพระอานนท์ด้วยวาทะอันว่าเหมือนเคยเป็นเดรัจฉี ได้โดยในดังนี้พระศาสดาอย่างไรโดยในดังนี้อานนท์ภิกษุณี มีความคิดเกิดขึ้นมาว่าฆราวาสเป็นทางแคบเป็นทางมาแห่งธุลีคือกิเลสแต่บรรพชิตเป็นทางว่างผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ ได้พบพระสากยมุนีศาสดาที่พหุพุทธเจดีย์ระหว่างเมืองไดได 3 ข้อ 1 ให้เป็นผู้มีใหให 2 เมื่อ จงตั้งใจฟังด้วยดีตั้ง 3 ต้องเป็นน่าเกลียดไม่ละกายคตาสติคือพิจารณา 7 วันเท่า 8 ก็ได้บรรลุอรหัตผล ข้าพเจ้าได้ปูสังฆาฏิของข้าพเจ้าทำเป็น 4 ชั้นแล้วถูล พระศาสดาและข้าพเจ้าได้เปลี่ยนสังฆาติกันใช้ด้วย เขตตะวันวิหารพระมหากัสสปะทูลถามพระศาสดาว่าอะไรหนอเป็นปัจจัย ดูกรกสปะตราบใดที่สัทธรรมปฏิรูปคือธรรมปลอมยังไม่เกิดขึ้นในโลกสัทธรรมแท้ก็ยัง ที่เกิดขึ้นใน 5 ประการบริษัท 4 ไม่ในพระธรรมในพระสงค์ในการศึกษาและในสมาธิในไม 5 ประการซึ่งมีใน คราวหนึ่งพระมหากัสสปะพักอยู่ที่ถ้ำปิพผิเข้าฌาน 7 วันออก 7 ตรวจดูที่ภิกขาจารย์ด้วยทิพจักขุเพื่อสงเคราะห์แล้วทําเข้า และเมื่อให้อาหารแก่เราแล้วจักได้สมบัติ ขอให้ดิฉันได้เป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วกล่าวคือขอให้ได้เห็นธรรม พร้อมกับระลึกถึงฐานที่ตนให้แล้วมือพิษตัวหนึ่งนอนอยู่ในโพรงแห่งหนึ่งในระหว่างทางเมื่อกุลธิดามาถึงตรงนั้นมันศอกและ มีนางอัปสรจำนวนพันแวดล้อมยืนอยู่ที่ประตูวิมานซึ่งประดับประดาด้วยขัน พระมหากัสสปเถระพระผู้เป็นเจ้าของเรารู้ก่อนภราดาทานที่บุคคลทํา เราควรปฏิบัติพระเถระเพื่อทําสมบัติของเราให้ถาวรคิดดังหนุ่มหรือ พระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดกระทบพื้นเห็นแสงสว่างแห่ง เพราะความสำนึกคุณของท่านและเพื่อรักษาสมบัติให้ถาวรด้วยความไม่ประมาทจึงมาทำเช่นนี้เมื่อวาน ขอท่านจงให้โอกาสแก่ดิฉันเพื่อดิฉันจักได้ทําสมบัติให้เทพธิดาถ้า ท่านอย่าได้มาที่นี่อีกเลยนางเทพธิดาคร่ำครวญว่าพระคุณเจ้าอย่าให้ดิฉัน พระศาสดาประทับอยู่ในพระคันธกุฏิทรงสดับเสียงนั้นแล้วทรงแผ่พระสมิไปประทับนั่งตรัสอยู่เบื้องหน้าของเทพธิดาว่าเทพธิดาเอ๋ยการสำรวมระวังเป็นหน้าที่ของกสปะบุตรของ ดังนี้แล้วตรัส สมัย 1 พระมหากัสสปะและพระสารีบุตรอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขต ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อตรัสรู้ไม่ควรเพื่อบรรลุนิพพานไม่ควรบรรลุธรรมอันเป็น ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรเครื่องเผากิเลส เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับว่า "ดูกร กัสสปะเธอจงกล่าวสอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมที่ทํา ย่อมเสื่อมจากจากความยาวและความกว้างในคืนจากมณฑลจากรัศมีจากไม่มีปัญญายาวหรือวันของเขาที่ผ่านมาความกว้างในคืน ไม่มีฮิลิหิริไม่มีปัญญาสามเป็นคนเกลียดคล้านปัญญา 3 เป็นคนมักโกรธมีความ เป็นอันหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นหวังมีศรัทธามีเฮริมีอุตตปะมี เป็นอันหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายมีศรัทธามี อีกครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันกฬันธกนิวาปสถานเขตพระนครราชคฤห์ จงกระทำธรรมิกถาแก่ภิกษุทั้งหลายกสปะเราหรือเธอพึงกล่าว ครั้งก่อนภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระ เป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษ <suppose> เป็นผู้ถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดและกล่าว และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษเป็นผู้สงัดจักโมและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัด ใคร่ต่อการศึกษาแท้มาเถิดภิกษุนี้อาสนะนิมนต์ท่านนั่ง เป็นผู้สันโดษเป็นผู้ชอบสงัดจักโมเป็นผู้ไม่ครุกคลีด้วยหมู่ การปฏิบัติ ดูกรกาลกัสสปะก็บัดนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระไม่เป็นผู้ถือการ และไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงตรายน้อยและไม่กล่าวสรรเสริญคุณน้อยไม่เป็นผู้สันโดษและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษไม่เป็นผู้สงัดจาก และไม่กล่าวสนเสิร์นคุณแห่งการปารภความเพียรบรรดาภิกษุเหล่านั้น นิมนต์ท่านนั่งดูกรกสปะเมื่อพิษุที่มีชื่อเสียงทั้งหลายกระทําสักการะอย่างนั้นภิกษุใหม่ๆพากันคิด มาเถิดภิกษุนี้อาสนะนิมนต์ท่านนั่งภิกษุใหม่ๆ สำหรับพรหมจรรย์เบียดเบียนแล้วดูกะรกัสสะปะบัดนี้บุคคลเมื่อจะกล่าว